ใกล้ฟ้ามากเท่าไหร่นะเราก็จะรู้สึกใจมันเบามากทั้งนั้นอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อตัวเราอยู่บนที่สูงทตรองเดียวกันถ้าใจของเราอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นนะยกระดับสูงขึ้นใความรู้สึกที่เบาสบายยิ่งกว่านั้นเนี่ย ก, ก็จะเกิดขึ้นกับเรา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 จะสูงได้เองนะต้องเกิดจากการฝึกหัดขัดเกลาอย่างที่พระเจ้าตรัสจิตที่ฝึกแล้วจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้การฝึกของจิตก็เหมือนกับ ก, การเปิดเครื่องสัมภาระต่างๆให้มันหลุดออกไปจากใจตัวกิเลสตัวตัณหาอุปาทานี่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถ่วงเอาไว้ถ่วงจิตถ่วงใจไว้เมื่อเราได้ ปฏิบัติทำฐานศีลภาวนาแล้วถ้าเราทําถูกต้องก็จะปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยจะปล่อยมันจะวางมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆก็เกิดความเบาเมื่อเบาก็จิก็ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้ น, นคล้ายๆกับบอลลูนนะบอลลูนเมื่อมันเบาเบามันก็จะลอยสูงขึ้นสูงไม่ไปเรื่อยๆ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 ต้นยางเนี้ยมันก็ความแตกตา่างมันค่อยๆเลือนหายไปเราเห็นแต่ความเหมือนม า, วาความต่างถ้ามีคนอยู่ข้างล่างนะจะเป็นผู้หงผู้ชายมันทีก็แยาไม่ออกนะหรือว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครคนไหนเป็นคนรวยคนไหนเป็นคนจนอยู่ข้างล่างนี่เราก็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 เป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นฝรั่งเป็นเอเชียมันก็มันก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วถ้าเราสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะไอ้ความแตกต่างอย่างอื่นก็จะค่อยค่อยเลือนหายไปด้วยคนกับสัตว์นี่่างทีก็ก็เห็นเป็นจุดเป็นจุดเหมือนกัน เมื่อเราอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเห็นแม้กระทั่งว่าพรมแดนนะเส้นแบ่งขอบเขตประเทศที่เรียกพรมแดนนี่มันก็ไม่มีแล้วเวลาเราดูแผนที่โลกดูแผนที่ประเทศมันก็จะเห็นเส้นเขตแดนต่างๆว่าตรงนี้เขตแดนตรงนี้ไทยตรงนี้พมา่ามันมีเส้นแบ่ง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 ประเทศนะแบ่งทวีปมันก็เลือนหายไปนั่นคือความจริงที่ป ร, กรากฏจากสายตาของเรานะเมื่อตัวเราอยู่บนที่สูงในสมองเด็การเมื่อใจเรานะขึ้นอยู่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆอันที่เธอเขเรียกว่าอยู่เหนือโลกอโลกุตระในพระโลกุตตะนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่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 แทนที่เห็นเป็นมนุษย์ก็เห็นเป็นพ ม, ม่าเหนป็นคนไทยหรือว่าเห็นเป็นคนกรุงเทพคนอีสานคนภาคกลางหรือไม้ว่าคนรวยคนจนหรือไม่ก็สมมุติอีกแบนก็เข้ามามีทิพลเช่นศาสนาพุทธคริสสมมุติเหล่านี้นมันก็ทำให้ ในบ่อยครั้งก็ทำให้เรามองคนแยกแยกกันแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกเห็นความแตกตา่างกลายเป็นคนละพวกแทนที่จะมองว่าเออเป็นมนุษย์เหมือนกันการเดียวกันในความเป็นความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสมมุติแบบหนึ่งนะซึ่งถ้าเรา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 มีรูปนะรูปของเขากับรูปของเรานะมันก็จะว่าไปแล้วก็เหมือนกันก็คือประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟการปฏิบัติธรรมโดยเพราะเมื่อเจริญภาวนาถึงข้พิปัสนาเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นว่าเห็นถึงความจริงว่าแท้จริงแล้วนี่นะสิ่งที่เรียกว่าคนสัตว์นะมันเป็นแค่สมมติ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 มีพระเถรศท่านหนึ่งสมัยพุทธกาลแล้วกะบำเพ็ญความเพียรแล้วท่านก็ค่อยๆว่าคำหนึ่งคิดคำหนึงนะว่าทำอย่างเมื่อไร่น้อนะหรือทำอย่างไรน้อเราจึงจะเห็นว่าธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกนั้นเสมอกั น, กนธรรมชาติภายในคือนะรูปนามนหรือว่าตัวเรานะ ส่วนธรรมชาติเา็น่าคือธรรมชาติที่เห็นเนี่ยต้นไม้ภูเขารงทั้งสิ่งสารสัตว์นี่คืธรรมชาติภายนอกแต่โดยที่ยังไม่บรรลุทางเพียงเห็นว่ามันมันคนละอันกันนี่ฉันมนุษย์นั่นสัตว์นั่นต้นไม้แล้วยังแยกแยะว่านี่ฉันในกอนเธอในคอหรือว่านางคอ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 ถ้าถึงความจริงขั้นปรมาติเนี่ยมันก็จะสมมุติก็จะไม่มีความหมายก็จะเห็ น, นว่ามันไม่มีเส้นแบ่งฉันกับเธอหรือมนุษย์กับสัตว์อย่างที่เวลาเราสวดเราพิจารณานะทาตุปั จ, จเจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอจิวณนอาหารนะบินทบาท ย, า, ย, า, นน า, ยาลักนาสนนายาลสาโลกนะก็เป็นสักวัฏธาตุนะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่คือสมมุติเมื่อเมื่อเห็นความจริงขั้นปรมัจิตเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้สิ่งทั้งปวงก็เป็นสักวาาัฏธาตุเราสิ่งที่เรียกว่ารูปนะก็เต็มก็ประกอบไปได้วยธาตนะุสัตว์เองก็ประกอบไปได้วยธาตุนะ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 โลจะพันปวนแปดปวนยังไงนะใจก็ยังปกติมันก็บลมอ่ะลมก็สามารถทําให้ใบไม้มันไหวสั่นไหวแต่ว่านอกภาวนานี้จิตก็ยังนิ่งสงบได้ไม่ใช่ว่าพอลมพัดใบไม้ไหวจิตใจเริ่มเย็นสบายใจก็ฟูพอไม่มีลมใจก็แฟกเนี่ยอันนั้นไม่ใช่วิสัยของ ผู้ที่เป็นนักภาวนาหรือว่าผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกก็ยังแปรปวนไปจิตใจยังแปรปวนไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รับอิทธิพลของสมมุติครอบำองำการภาวนาคือการที่จัดทำให้จิตของเรานี่มัน อ, อยู่เหนืออยู่เหนือสมมตินะ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 ไปทกิริยาหยาบคายกับพระพุทธรูปเนะี่ยบอกว่ามันเป็นแค่ทองแดงทองเหลืองนะบางทีเอาเอามือตบเอาเท้าเตะก็มีนะเป็นข่าวคราวนะเมื่อสองสามปีก่อนเหนะมือนกับว่าจะคือว่าเนี่ยอันนี้มันสมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงอย่าไปมันไม่ใช่พระเจ้ามันเป็นแค่วัตถุอย่าไปกราบไหว้มัน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 ปล่อยใจขึ้นลงไปตามคําสารเสริญนินทาต้องใช้สมมุติให้เป็นในในโลกของเราในสมองของเราก็มีสมมุติเยอะสมมุติบางอย่างมันก็มันในรูปของประเพณีนะประเพณีก็ใช้ใถูกถ้าใช้ใไม่ถูกก็เกิดโทษเมื่อซักสีห้าวันก่อนก็นะมันเป็นวันวันแม่นะ ก่อนวันนั้นวันหนึ่งหรือวันนั้นแหละก็มีการโพสภาพที่ไอ้ใจได้ยินได้เห็นก็คือภาพลูกกราบแม่ก็มีภาพหนึ่งที่มีคนแชร์กันมากเป็นสองภาพติดกันภาพแรกนี้ลูกก็กราบภาพแรกนี้แม่กราบลูกที่เป็นพระนะใส่บาศก์แลแม่ก็กราบลูก ภาพทีติดกันต่อมาคือว่าลูกก็กราบแม่ลูกนี่คือพระนะก็มีการแชร์กันหลายท่านก็ชื่นชมนะว่าโอ้ลูกนี้มีความกตัญญูนนะแตก่ก็อีกอีกก็มีอีกหลายเสียงก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ถูกนะก็มีคําถามาว่าทํานี้ถูกไหมนะพระซึ่งเป็นลูกนี่กราบแม่นะอั น, นจะพูดไทย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 คารวาเป็นพ่อแม่หรือแม้แต่คารวาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยมหาเลขกเนี่ยนะพอบวชพระนี่พระมหากษัตริย์ต้องไหว้เลยนะถึงแม่ก็กราบถึงแม้ว่าจะเป็นไพร่มา ก, ก่อนก็ตามแต่พอบวชแล้วก็ถือว่ามีเพศหมายก็เรืออุตมเพศเป็นเพศที่สูง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 เรื่องจะเป็นแต่ว่าอีกที่สำมัญกก่าคือเ็เป็นตัวแทนของของพระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้เป็นสถานะใหม่ของของผู้ที่บวชเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเป็นตัวแทนของพระอาหารหันต์ก็ว่าได้เป็นตัวแทนของพระธรรมวินัยที่ชาวพุทธเรานับถือ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 อันนี้เป็นธรรมเนียมที่มีมานานนะในชาติกาลนี่มีคารวะที่เป็นพระอรหันต์นี่เยอะมากนะแต่ว่าท่านก็กราบนะท่ากราบพระที่เป็นปุถุชนไม่ใช่ว่ากราบคนที่คุณธรรมนะเรื่องกราบนไม่เกี่ยวกคุณธรรมนะมันเกี่ยวกับสถานนะพระอรหันต์ที่เป็นคาุหัดนะหรือที่พระอนาคามีนะก็กราบพระที่เป็นปุถุชน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 ค า, ารวะนะก็ต้องกราบพระสงฆ์นะหรือผู้ยานเาพระสงฆ์นี่กราบคารวะไม่ได้นะี่ไม่สมควรอันนี้ก็ต้องถ้าใช้สมมุติให้เป็นก็ต้องใช้สมมุติให้มันครบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือแม้การที่อ่ผู้ที่โพสเฟสบุลเนี่ยก็จะทำได้เจตนานดีนะแต่ว่าเขาก็ใช้สมมุติไม่เป็นนะ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 เราไม่ทาได้โดยที่ไม่ต้องกราบก็ได้แล้วมันมีวิธีที่เดียวการกราบเยอะกราบนี่มันเป็นแค่รูปแบบเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์แล้วครูเจ้าตรัสว่าเนี่ยพ่อแม่บุญมีบุญคุณมากจะ ต, ตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดแม่จะเอาพ่อมาวางบนบาทเอาพ่อวางบนไหลบาทซ้ายเอาแม่วางบนไหลบนบาทขวาแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยปริบัติพัธีบนนั้นแหะ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 ถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลก็ให้ได้มีศีลไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาไม่มีจาระคาก็ให้มีจาค่าไม่มีปัญญาก็ให้มีปัญญาอันนั้นแหละถึงจะเป็นการตอบแทนพ่อแม่ที่ที่ดีที่สุด ส, สนองคุณได้อย่างสมบูรณ์ที่รองลงมาก็อย่างเช่นว่าพ่อแม่ป่วยก็ดูแลเยียวยาท่านเป็นพระ ก, ก็ทำได้นะตามสมรวิสัยพ่อแม่ป่วยก็ดูแลหรือว่า ยากจนหิวโหยก็อาบินทบัมาเลี้ยงอย่างพระนันทิยะนี่ก็เอาบินทบทนี่ไปเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่นี่เคยร่ำรวยเป็นเศรษฐีตอนหลังก็ยากจนพระนันทิยะทีแรก ว, ว่าจะศึกมาไปดูแลพ่อแม่แต่ตอนหลังก็ได้ฟังธรรมพุทธเจ้า ก, ก็รู้ว่ามันมีวิธีอื่นนะก็คือบินทยังเป็นพระอยู่นะก็บินทบตเลี้ยงพ่อแม่มีพระไปตำหนินะไปไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็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 มีตัวตนใหม่นะตัวตนนี้เนี่ยนอกจากจะต้องโกนหัวห่วมเหลืองแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะถ้าสักเคร่งนี้เรียกว่าเปลี่ยนใหม่เลยนะอย่างเช่อจาซูมเมโทโธ่ชื่อโรเบิร์ตโรเบิร์ตแจ็กแมนพระบวชนี่ก็ชื่อซูมเมโทโธนะไม่ใช่พระโรเบิร์ตซูเมโทโธนะแต่ว่าซูมเมโธอย่างเดียวเลย ที่จริงพระาวิสาโลนี่นะ่จริงก็งไม่ถูกนะถ้าเรียกถูกถก็คือพระวิสาโลนี่ทิ้งชื่อเดิมไปเลยนะดำนามสกุลเดิมก็ทิ้งไปด้วยมีนามสกุลใหม่เนะี่ยก็คือวิสาโลลูซูเมโถอันนี้เรียกเป็นชื่อใหม่ไม่ว่าทิ้งอัตลักษณ์เดิมนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ า, วามีครอบครัวใหม่ละมีพ่อมีแม่ใหม่คือปัจชาอันนี้ก็สมมุตินะแต่ว่า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 สิ่งต่างๆโดยทั้งการตอบแทนผู้มีพระคุณการตอบแทนผู้มีพระคุณนอกจากจะรู้เรื่องเข้าใจเรื่องสมมุติแล้วก็ต้องรู้จักมองแบบแยกแบบแจจยกแยะอาจารย์สุมเมทโธเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่บวชเนเนี่ยก็หาครูบาอาจารย์นะก็ไปประเทศลาวเพื่อไปต่อวีซ่าเข้าเมืองไทยก็ไปเจอพระองคหนึ่งกิริยาเลื่อมใสน่าเลื่อมใสชื่อว่าพระสมหมาย ท่านก็มีอาจารย์เรียบร้อยสามเณรสุมเมธโธก็ศรัทธาก็เลยคุยไปคุยมาท่านบอกว่าท่านมีอาจารย์อยู่รูปหนึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยอยู่อุบล น, นะชื่อหลวงพ่อชาอาจารย์สมเณรสุเมธโธ ก, ก็ก็ประทับใจในะรเรื่องเล่าก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยก็จะมาขอปฏิบัติกับหลวงพ่อชา ก็ไปบวชที่น้องคายวัดเดิมวัดเดียวที่ท่านบวชสามนเณรเสร็จ แ, แล้วพระสมหมายนี่ก็พาไปพาไปหาหลวงพ่อชาก็เป็นได้เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่พาให้ท่านได้รู้จักหลวงพ่อชาเป็นคนแรกเมื่ออยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าไม่จําไม่ท่านก็ไม่บอกกี่ปีนะพระสมหมายก็ศึกศึกไปแล้วปรากฏว่า เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะก็คือว่ากลายเป็นคนติดเหล้าอะติดเหล้าแบบติดแบบเรียกว่าเมาหยำเปเลยนะคนละคนละมันก็เป็นคนละคนกัน ต, ตอนที่เป็นพระตอนที่เป็นพระ น, นระี่เคร่งวินัยมากนะจู่จีขี่บน่นว่าคนนี้ทําผิดวินัยคนนั้นทําผิดวิ น, นัยนะคอยบน่นนะคอย ค่อยว่าพระรูมนะรูมนี้ว่าไม่ค่อยทํำผิดวินัยทำต้องอาบัต์เพ่งมากเนี่ยแต่ว่าพอตัวเองศึกไปนี่กลายเป็นคนละคนเลยมันก็สุดตรงไปอีกทางนึงคือกินเหล้าเมายาทํางานการไม่ทําจนกระทั่งกลายเป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนอาจารย์สุมเมโทนี่พอเห็นอย่างนี้ก็รังเกียจนะรังเกียจไม่อย่ายี่ใครรู้เลยนะว่าเนี่ยพระสมหมายนี่พรา ท่านมาบวชมาหาอาจารย์สุมเมธโธไม่ให้ใครรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายสมหมายคนนี้นะเคยเกี่ยวข้องกับนายสมหมายคนนี้มาก่อนเพรารู้สึกอับอายมากเวลาพูดก็พูดเวลาพูดถึงทิศสมหมายก็ท่านก็พูดด้วยความลังเกียจเมื่อรู้ถึงหูของหลว ง, งพ่อชาย ท่านก็เรียกมาตักเตือนนะบอกว่าสุมเมโทโธนะเวลาเจอที่สมหมายนี่ ก, ก็ให้เรียกว่าอาจารย์นะ mm hmm. ให้เรียกวาอาจารย์สมหมายเพราะว่าอาจารย์สมหมายเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเธอนะพาให้เธมารู้จักกับวัดหนองประพงศ์นะ อันนี้เป็นนี้บุญคุณนะเขาจะติดเล่าเมายอย่างนะก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเขามีบุญคุณกับเราก็ต้องสำนึกในบุญคุณของเขานะให้เรียกว่าอาจารย์สมหมายนะทุกครั้งเลยนะอาจารย์มเมโตก็ได้สตินะก็เห็นความดีของทิศสมหมายว่าได้ทําให้ให้ได้มาพบครูบาอาจารย์หลังนั้นก็เลยเรียกว่าทิศอาจารย์สมหมายเป็นประ จ, จำํำ ท่าทีก็เปลี่ยนไปตอนหลังท่านไปอังกฤษไปอังกฤษท่านก็ติดตามข่าวคราวของทิศสมหมายเวลากลับมาเมืองไทยก็หาโอกาสมาเยี่ยมทุกครั้งเอาของมาฝากทั้งที่ทิศสมหมายนี่ก็เมานะแต่พออาจารย์สุเมโทมาหาก็รู้สึกดีขึ้นพออาจารย์สุเมธโทเล่าวอาจารย์สมหมายก็รู้สึกมันก็ได้สติขึ้นมา แต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวต่อหลังทิดส ม, มัยนี้ก็กลายเป็นคนเล่ร่อนแต่ว่าก็ดีมีพระที่ท่านรู้จักก็สร้างกุฏิให้อยู่สร้างกระตอ๊อให้อยู่เอาเอาข้าวกล้นบาตมาให้กินมือแม่ก็ให้ของมาให้บ้างแต่ก็ยังทิ่ส ม, มัยก็ยังเป็นพวกเล่ร่อนชอบคุยขยาหากิน ตอนหลังก็โดนรถชนตายขณะที่เดินข้ามถนนนะอาจารย์สมเมโอนี่ไม่ได้ปางงานศพแต่ว่าพอพอกลับมาเมืองไทยก็ไปคาระวะนะอัฐินะแล้วก็ก็ก็กยังพูดถึงอาจารย์สมหมายอยู่เรื่อยๆนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายนี่ถ้าไม่มีอาจารย์สมหมายก็ไม่มีสุมเมโทโนะ มีสุมเมโธมีพระสุมเมโธก็เพราะมีอาจารย์สมหมายเพราะตอนนั้นเนี่ยไ ม, ไม่ได้จ ะ, จะบวชหรือเปล่านะเพราะเป็นแค่สา ม, มเณรแต่พอเจอพระสมหมายก็ทําให้ตัดสินใจบวชเพื่อได้ไปอยู่น้องพระพง์พบหลวงกกพ่อชาทางกระพุ่อย่างนี้นถ้าไม่มีอาจารย์สมหมายก็ไม่มีพระสุมเมโธนะมีพระสุมเมโธก็เพราะว่ามีอาจารย์สมหมายเนี่ยก็เป็นก็เป็นคนที่มีพระคุณมากนะ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 บางคนเป็นอย่างนั้นนะคือยิ่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งเกลียดพ่อแม่มากึ้นเหมือเนพ่อแม่อ่้ไม่มีศีลตอนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่คยรู้สึกลังเกตแบบนั้น้เรื่องนี้ก็ก็เป็นข้อเตือนใจว่าเนี่ยเออแนะพ่อแม่จะเป็นสมมุตินะแต่ว่าก็ต้องมองให้เป็นมองแยกแยะด้วยว่าบนคุณข้อดี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 พุทเจ้าบอกว่าให้รู้จักมองข้อดีอยงเขาเหมือนกับคนเหมือนกับจะไปตักน้ําในสระนะแต่ว่าสาระมันมีหนอกมีจองน้ำอยู่เต็มเลยจองน้ำอยู่เต็มนี่ทํางานมันตักน้ําไม่ได้ก็ต้องจักแหวกนะแหวกจองน้ำไปเพื่อให้มันได้สามารถตักน้ําเอาไปใช้สอยใช้สอยได้นะคนทั้งหลายเนี่ยคนบางคนนี่ก็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 คนว่าคนคนที่เรียกว่าอยู่รอบตัวนะเช่นหมู่มิตรไม่ได้ใช้ไม่ใช่เป็นท่าทีสำหรับพ่อแม่แต่ว่าที่จริงก็มาใช้ได้ยิ่งเป็นพ่อแม่เลยยิ่งยิ่งต้องมองให้เห็นถนึงบุญคุณของท่านแม้ว่าแต่พฤติตัวหน้าระอาหน้ารังเกียจอย่างไรอย่างขนาด ที่สมหมายนี่นะก็ไม่ได้พ่อแม่นะแต่ว่าอาจารย์ชาก็สอนให้รู้จักสำนึ่กในือนคุณเพราะว่าพาให้อาจารย์สุมเมทโทได้มาบวชได้ได้มารู้จักกับน้องประพงศ์อันนี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่ ง, งการมองแบบรู้จักมองแบบแยกแยะนะไม่ใช่ไปติดอยู่ที่รูปแบบอย่างเดียว